มีกฎระเบียบปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะพระพุทธเจ้า ว, วางไว้อย่างไรพวกเราก็ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ า, พาดำเนินมาพระทงค์ขอให้พวกเราทุกๆท่านจะเป็นพระนะอย่าย่อย่อนในหลักธรรมวินยัยสิ่งไหนที่มันผิดศึกษาแล้ว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 แต่ก่อนเขาก็นหนุ่มแน่นเหมือนกับเราใช่ไหมแต่ตดี๋ยนี้เป็นยังไงพ่อแม่ของเราญาติโก้โหติกาของเราเราจะไม่เป็น <c oughs> อย่างท่านอย่างนั้นใช่ไหยเราพิจารณาดูทีทวนทบทวนอทีทวนทบทวนเลยเขาเราท่านเราทุกสิ่งทุกอย่างนะั่นแะมันมารวมอยู่ที่ใจทั้งหมดใจของเราเป็นผู้กกุลเรื่องขึ้นมาก่อเรื่องขึ้นมาอคล้ายกันนั่นแหละ